วัดของหลวงพ่อพระทั้งหมดสี่สิบเอ็ดลงมาชั้นยี่สิบหกวั น, นขาดไปสิบห้าองค์พระไม่ลงมาชั้นสิบห้าองค์วันนี้รู้สึกว่าบางตาท่า น, นก็อดอาหารเป็นธรรมดาไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่เหมะนะือนกันอดอาหารเป็นธรรมดาหลวงพ่อก็บอกว่าโบสเข้ามาแล้วกันนะควรจะใช้ความอดทนอดอาหารนว้ซิ พราะผู้ที่มาบวชมีหลายระดับปริญญาตรีโททำการทำงานเป็นครูบาอาจารย์เป็นพนากาักงานตารวจทหารทุกหน้าที่มันต้องใช้ความอดทนทั้งนั้นแหละทุกคนต้องมีความอดทนต้องมีความอดทนและดูแล้วสวยงามถ้ามีขาดความอดทนขาดขันติคือความอดทนแล้วไปที่ไหนก็ฟุดก็ฟัดใครๆเห็นแลวกัน เป็นผู้ใหญ่ก็ไม่น่าเคารพเป็นผู้น้อยโดยการทำงานโดยการกรฟูดกระฟัดกันนามันไสอีกเหมือนกันเพราะนั้นต้องใช้ความอดทนเป็นพื้นฐานเป็นหลักเมื่อบวชเข้ามาแล้วกันการอยู่การกินเป็นพื้นฐานที่แรกท้าทุกคนมีความอดทนเป็นพื้นฐานเวลาเราทำการทำงานจะให้ได้อย่างใจเราทุกอย่างไม่ได้บางทีเราเร่งงาน หรือบางทีเราเข้าไปในสถานที่ต่างๆขับรถขับปลารถตายอย่างเนี้ยอหรือไม่ได้อย่างใจเราอย่างนี้อาหารไม่ได้ตามเวลาที่เราต้องการกินอย่างเนี้ยเราทานอาหารเที่ยงบางทีมันอาจจะถึงบ่ายโมงหรือบ่ายสองโมงจึงจะเสร็จนี่ถ้าคนไม่เคยอดอาหารเองใจจะร้อนนะกะฟ็กะฟุดกฟ็กฟัดก็ฟัดก็เฟียดดังนั้นแต่ผู้อยู่ใกล้เนี่ยไม่สบายใจแล้วมั้นแต่ เนี่ยพราะเหตุไรเพราะมันมันหิวมันอดทนไม่ได้แต่ถ้าเราพวกเราเคยบวชมาแล้วเนะี่ยอดอาหารสามสี่ห้าหกเจ็ดวันไม่ทานอาหารเลยเนะี่ยเวลาเราออกไปใจของเราจะสสำนึกได้ปะมสมัยเมื่อเราบวชเราไมา่ได้ทานอาหารตั้งหลายวันนะก็ไม่เห็นมีอะไรเพียงเราทานอาหารผิดเวลาชั่วโมงสองชั่วโมงเนะ่ย มันจะเป็นเรื่องเป็นราวขนาดนั้นเลเนยนี่แหละอันนี้มันคือความอดทนมันเกิดขึ้นแหละท่านเนี่ ย, เ, ยเพราะนั้นตลวงพ่อว่าต้องทดลองดูนะเพราะเรื่องอาหารไม่ใช่ธรรมดาเฆ่าแม่ได้ไหมยะโสธรนี่ไหมฆ่าแม่ได้เพราะอาหารเพราะนั้นเรื่องอาหารนี่ไม่ใช่ธรรมดาเมื่อเป็นนักทดลนักบวชแล้วก็เรื่องอาหารให้ถือว่าเป็นของเล็กน้อยอ ย, อย่าไปถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ อาหารไม่ถูกปากถูกลิ้นของเรากินไม่ได้ เ, เราอยู่ไม่ได้เรากินไม่ได้ อ, อย่าให้มีตักพลดนักปวดตักพลดนักบวดอยู่กินได้ทั้งนั้นชาวบ้านเขากินอะไรเาทานอะไรเขาทำบุญมาอะไรทานไปเลยเถ้ามันไม่ผิดกระธาตขันทานไปแล้วก็จบวันพรุ่งนี้มันมีอีกอยู่แล้วมีคราวดีบ้างคราวไม่ดีบ้งางบางทีอาหารถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้าง เราทำใจได้ทั้งนั้นอันนี้คือนักพจนักบวชที่ว่าเราเลี้ยงเราเลี้ยงชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่นเราควรทำตัวให้เขาเลี้ยงง่ายนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านสอนลูกศิษย์ของท่านนะวันนี้เป็นวันที่หกันยาห้าสองเมื่อวานหลวงพ่อเขาไปงานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ออนสาที่อุดร ท่านมรณะภาพตั้งแต่เดือนสิงหาทล้วก็ได้มาพระราชทานเพลิงศพเมื่อวานนี้ฟังดูแล้วก็คือขอทูลเชิญในนามพระบรมราชินีแต่พระบรมราชินีติดภารกิจก็เลยมอบให้ฟ้าหญิงองค์เล็กมาแทนนี่มาแทนคุณแม่ของท่านเมื่อวานแต่หลวงตาก็ไปเมื่อวานหลวงป้าก็ไป รับภาพป่ารู้สึกว่าศรัทธาญาติโยมพี่น้องประชาชนมากเมื่อวานเนี่หลวงพ่อเองก็ได้เดินเดินเท้างนัแต่รถเข้าไปไม่ถึงวัดได้เดินเข้าไปไกลพอสมควรจะทำยังไงได้เขาก็แน่นเราก็แน่นเราไปถืออำนาจบาทใหญ่ก็ไม่ได้เว้นเสียจะ เ, เป็นหลวงตาถ้าเป็นหลวงตาเออ ท่านอายุมากแล้วควรจะเทิดทูนบูชาท่านอย่างยิ่งควรจะทําถนนประชาชนต้องแยกทางให้อันนั้นคือหลวงตาแต่หลวงพ่ออินไม่เป็นอย่างนั้นหลวงพ่ออินต้องรู้จักประมาณตนพอไปถึงแนละ้วเออไปไหวไหมถ้าตัวเองเดินเข้าไปไม่ไหวจะไปทำไมจะถามตัวเองนะออตรงเองต้องกลับสิไปไปทำไมแต่พอไปไหวไหมเอาไปไหวมีปัญหาอนะกระเดินนะ ประมาณชักกิโลหนึ่งคงได้หลวงพอว่อะเมื่อวานแต่พอขากลับออกมาเดินออกมาได้ประมาณชักสี่ห้าร้อยเมตรมั้งมีรถตำรวจตามหลังมาเขารู้จักที่เนี่ยพรเป็นลูกศิษย์หลวงตาเออท่านหลวงพ่อจะไปไหนออกไปข้างนอกแล้ ว, วะ่ะนั่งรถของผมครับเออเอ อ, อาได้ก็เลยขึ้นรถตำรวจแต่นี่พอขึ้นก็เปิดโลเลโลเลโลเละคนก็นแยกทางไงเออ อันนี้ค่อยอย่างชั่วน่าจะเอามาใช้ในวัดเราสักคันหน้ารถอย่างนี้วะไปที่ไหนสะดวกดีดีกันว่ะเปิดเปิดลงังคาโลเลโรเลโรเล่คนแยกทางให้กันเลยเข่าท้ารถคันนี้ว่ะจากนั้นเขาก็มาส่งถึงนง่ทางเข้ามาน้องคายะเขาก็เลยลงจากรถตำรวจขึ้นมารถเรากลับวัดแต่ขนาดนั้นมาถึงวัดเกือบสองทุ่มเมื่อคืนในทุ่มกว่า เมื่อคืนกับฝนตกทั้งคืนนะเนี่ยอันนี้คือหลวงปู่อ่อนสาหลวงปู่อ่อนสาท่านเป็นพระเถระผู้ใหญ่ท่านบวชกับท่านเจ้าคุณธรรมเจดีเหมันกันหลวงปู่อ่อนสานะแต่คู่ขี้กันกับหลวงตาหลวงตาบวชก่อนพันศาหนึ่งมั้งตามประวัติแล้วก็เคยไปเที่ยวทุดงด้วยกันแล้วก็เคยอยู่ด้วยกันเมื่อวาน เขาก็อ่านประวัติว่าหลวงปูอ่อนสาอยู่กับหลวงปู่มั่นจำพรรษาที่น้องผือน า, นาในห้าปีเราก็เลยเข้าไปกราบหลวงตาตอนที่ขึ้นที่ท่านขึ้นไปนั่งก็เลยถามเรความเป็นจริงก็บอกว่าขอาการครับหลวงตาหลวงปูอ่อนสาจำพรรษาที่น้องผือน า, นาในกับหลวงปู่มั่นเขาเขาบอกว่าห้าพรรษานีครับผมใช่ไหมไม่ใช่นะเราอยู่ที่นั่นเป็นประจำเลยตั้งแต่ เริ่มไปแต่ตีแรกแต่งแต่มบันโคกตองโขบนามนไปอยู่บันผืนเราไม่เคยไปไหนเลยอยู่กับหลวงปู่มัน่นท่านอนสาเนะจําพรรษาเพียงพรรษาเดียวมาถามเรานี่หลวงตาว่ามาถามเราเนี่ยเราอยู่ที่นั่นตลอดจําพรรษาปีไหนครับผมปีสุดท้ายหรือว่าปีเอ๊ปีไหนโอ้อันนี้เราจําไม่ได้เว้ยตัวนั้นแต่จำแน่แน่เลยคือท่านอนสาจําพรรษาปีเดียว แล้วก็เคยไปจํมมาพรรษากับเราที่นครพนมมีท่านสุบินและกับท่านอนสากับเราจำพรรษาด้วยการสามองค์เ อ, อือ น, นั้นมีแล้วก็จำพรรษาที่บ้านตาดมีไหมกับผมเอออันนี้เราบวชเข้ามาแล้วเราไม่ได้อยู่เว่าะเราไม่ได้อยู่บ้านตาดสำไมนะั่นคือบ้านตาดคือตรงสถานีวิทยุเสียงธรรมนั่นคือวัดธรรมยุทธวัดบ้านตาัดตะกอนบ้านตาดมันบ้านไม่ใหญ่เขาก็สร้างวัดขึ้นมาตรงนั้น เอก็มีพระจำพรรษาหลายปีเหมือนกันแต่หลวงตาท่านบอกว่าพอเราบวชเข้ามาพอเรากลับ น, นี้จากบ้านเลยเราไม่ได้อยู่ในบ้านดังนั้นเราไม่รู้ว่าท่านอนสาจำบรรษาที่วัดบ้านตาดเย่างั้นหลวงตาท่านพูดให้ฟังเมื่อวานนี่แหละอันนี้ก็คือประวัติของครูบาอาจารย์ท่านก็ออกเที่ยวป่าลงพงไผ่ หลายหายแห่งได้หลายหนก่อนที่จะเป็นพระผู้เท่าอยู่กับที่อายุของท่าน95ปีหลวงตามหาบัวย่างเข้า97นะขาอ่านประวัติเขาว่าอ่อนก่อหลวงตาประมาณสองปีอ่อนก่อหลวงตามหาบัวสองปีอายุของท่านแต่ท่านป่วยเป็นโรคอามาัอามาพาตนานพอสมควรเมื่อบันปลาย ประมาณปีละสองสามปีเนี่ยมั้งปู่อ่อนสาแต่นั้นท่านก็มรณาภาพในกลางพันษาปี2552นี่นหะอะไไปชุมเพิงเมื่อวานนี้รู้สึกว่าพี่น้องประชาชนทางพระสงฆ์พระสงฆ์ก็หลายพันองค์นะที่มาเมื่อวานนี้พี่น้องประชาชนนะีคือว่าเป็นแสนนมากทีเดียวโรงทานหกร้อยกว่าโรงทาน น, ะนี่นหะ ครูบาอาจารย์ล่วงลับดับขันไปแต่ละครั้งก็เหมือนกับต้นไม้ใหญ่โค่นล้มลงไปลูกหลานาก็รู้สึกว่าในกลุ่มนั้นก็กระจุยกระจายไปกันและแห่งละโหนเหมือนกันเพราะว่าขาดที่พึ่งทางด้านจิตใจถ้าว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ยังเป็นร่มโพร่มไสเราอยูอ่พวกลูกหลานก็ยังเป็นกลุ่มเป็นก้อนแต่พอพ่อแม่ครูบาอาจารย์ รวงลับดับขันไปแล้วก็ต่างคนก็ต่างอยู่เพือเพิกเกิดการทรวิวาทการเกิดขึ้นในกลุ่มอีกต่างหากอันนะี้น่ากลัวมากมาพิจารณาดูแล้วก็มันเป็นวัตจักรอีกเหมือนกันน ะ, ะเป็นวัตจักรหรือว่าเป็นแนวอีกอย่างหนึ่งที่ว่าศาสนาอื่นก็เหมือนกันในครั้งพุทธกาลพวกนีคนเดล ถ, ถีที่มีบริวารมากเป็นคู่แข่งกับพระพุทธศาสนา ในยุคสมัยนั้นพอคณะอาจารย์เขาล้มหายตายจากพวกลูกศิษย์ทั้งหลายก็แย่งกันเป็นใหญ่แย่งกันในแนวความคิดคนหนึ่งจับความคิดคําพูดของอาจารย์อันหนึ่งผู้หนึ่งก็จับคําพูดของอาจารย์อันหนึ่งผลที่สุดก็มาเถียงกันอีกท่นนีแตกกันนี่แหละอันนั้นยุคนั้นสมัยนั้นพอในครั้งพระพุทธเจ้าของเราก็เหมือนกันมี ค, คล้ายๆนั้นอีกแหละท่า น, น อย่างพระพุทธเจ้าทั้งที่ท่านสอนให้ละกิเลสราคะโทสะโมหะแต่องค์ที่ไม่ละมันก็มีอยู่สิเนีอยู่ในกลุ่มแต่เป็นผู้มีอํานาจวาสนาพอพระพุทธเจ้าปรินิพานไป 3-400 รปีกนานพอสมควรพระสงฆ์ก็แตกกลุ่มกันอีกก็ยังเป็นฝ่ายมหายานและเถราวาดกันฝ่ายมหายานก็นขึ้นไปทางทิเบตลงไปทางจีนญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันลงไปทางนู้น เลือกพระจีนไงใส่กางเกงฮงแต่พระทางเทรวาสก็ลงมาทางลังกาพมา่าไทยลาวลงมาทางนี้นี่แหละอันนี้จะว่าแตกไหมก็แตกในแนวความคิดอีกเหมือนกันนี่แหละครูบาอาจารย์ถ้าเปรียบเทียบดูในยุคสมัยของเรานี่ก็เหมือนกันครูบาอาจารย์ลงรับดับขันไปแต่ละองค์ลูกจิ์ลูกหาก็ ขาดที่พึ่งทางจิตใจต่างองค์ก็ต่างอยู่ของใครของเราที่จะเป็นกลุ่มเป็นก้อนกันเหมือนกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ยังมีชีวิตอยู่นั้นดูๆแล้วไม่เหมือนพูดแล้วอย่างหลวงพ่อเป็นตัวอย่างหลวงพ่อก็นับถือองค์หลวงตาหลวงปูล่ลาที่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์พอหลวงปูล่ลามรณนะภาพไปแล้วเวลาหลวงพ่อกลับไปภูโจก้อน ขึ้นไปทีไรสมัยก่อนเมื่อเราเดินขึ้นไปแล้วก็มีความตั้งใจจะได้เห็นจะได้สนทนาจะได้พูดมีอะไรจะได้กราบเรียนอะไรท่านถามท่านใครก็มีความอุ่นใจในใจจะต้องขึ้นไปต้องได้พบได้ฟังโอวาดของท่านเมือนพันมรณาภาพพ่อขึ้นไปแล้วมันเหมือนเย็นเย็นเสียบเสียบยังไงในจิตในใจนะมันเหมือนกับเย็นเสียบอยู่ในจิตในใ จ, ในใจ ไม่อบอุ่นแบบนั้นเถอะอันนี้ก็คือความรู้สึกของหลวงพ่อเองพวกเราท่านทั้งหลายก็คงลักษณะอย่างนั้นนะพ่อแม่ถึงจะเท่าแก่ชราขนาดไหนถ้าอยู่เป็นร่มโพร่มไทรของเราเพ้อๆเราก็ยังโมโหให้ท่านอีกต่างหากว่าท่านลำลีท่านลำไรท่านพูดไม่รู้จกจบอย่างนี้นแต่พอท่านลมหายตายจากพวกเราไปนั่นแหละพวกเราจะรู้สึกว่านั้นเถอะอันนี้ก็ เหมือนกันความรู้สึกทางด้านจิตใจอันนี้หลวงปู่ครูบาอาจารย์ที่ท่านร่วงรับดับขันไปเหมือนกับต้นไม้โคน่นหลวงพ่อว่านะต้นโพตน้นไทรต้นไม้ใหญ่โคน่นนกกาทั้งหลายก็แตกกระจูกระจายก็รอกกระแตงหนีไปคนละทิศละทางกันไปพึ่งพาอาศัยอย่างน้อยก็ไปตั้งตน้นตั้งตัวใหม่อีกอางานนั่นแห่ะท้าว่าไปตั้งตัวตั้งตนใหม่อีกก็นั่งก็นับว่าดี แต่บางคนมันทะเลถลายถลําไปในทางความช่วยเสียหายก็มีตั้งเยอะแยะเพราะว่าตั้งตัวยังไม่ได้ขณะที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ยังอยู่ท่านแนะนำสั่งสอนก็ไม่ได้สนใจเท่าที่ควรแต่พอท่านร่วงรับดับขันไปแล้วหาที่ยึดทางดานจิตใจไม่ได้ใจร้อนใจกระสับกระสายกิเลสราคะโทสะโมหะเข้ามาครอบจิตใจผลที่สุดก็เลย เป็นคนชั่วชา้าเสียหายมาอยู่ในกรอบหลักพระธรรมวินยัยก็มีมากต่อมากเหมือนกันเพราะในสิ่งเหล่านี้ในขณะที่อยู่กับครูบาอาจารย์ควรจะตั้งใจควรจะสนใจควรจะฟังให้วินิจวิเคราะห์ให้ท่องแท้ให้เข้าใจจริงตามไม่เข้าใจจริงก็ให้ถามพระในครั้งพุทธการในครั้งพระพุทธเจ้าผัสสงประชุมกันที่ศาลา พอประชุมกันเสร็จแล้วก็พูดถึงภาษารฤบุตรนี่โอ้ท่านภาษารฤบุตรนี่เป็นเสนาบดีจริงๆพระพุทธเจ้าเทศหน่อยหนึ่งคำหนึ่งเนี่ยภาษารฤบุตรนี่จะนำํำทำคําสอนของพระพุทธเจ้ามาประกาศมาชี้แจงให้ฟังอีกเข้าใจอย่างชัดเจนอีกเพราะว่าท่านรู้พระพุทธเจ้ามีความหมายว่าอย่างไงในคำคำนี้ท่านชี้แจงให้พวกเราได้ชัดเจน เมื่อพระองค์ออกมาเสร็จแล้วพวกเราทูลถามพระพุทธเจ้าว่าที่ท่านภาษาริบุตรพูดอย่างเนี้จริงไหมพระเจ้าค่ะพระพุทองค์ก็ว่าใช่ภาสาริบุตรพูดถูกแล้วรู้ความหมายของเราเนี่แหละพระสงฆ์ทั้งหลายก็สรรเสริญเยินยอว่าสมควรเป็นพระเสนาบดีของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าตรัสออกมาคําใดภาษาริบุตรเป็นผู้ขยายผลตีแผ่ ในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นที่เข้าใจละเอียดละออคือคำที่ลึกก่อนได้ตื่นขึ้นอันนี้คือพระสงฆ์สนเสริญพระพุทธเจ้าท่านก็เสด็จมาบอกว่าพระสงฆ์พวกท่านทั้งหลายสนทนาการเรื่องอะไรพระสงฆ์ก็กราบทูลพระพุทธเจ้า ว, ว่าสนทนาการเรื่องภาษาริบุตรพระเจาา้าค่าเป็นผู้มีปัญญาจริง ทีพระพุทธองค์ตรัสคำใดออกไปพวกข้าพระองค์ยังไม่เข้าใจก็ได้ไปถามท่านสาริบุตรท่านสาริบุตรก็ได้อธิบายให้พวกข้าพระองค์ฟังเป็นที่เข้าใจกระผมพระพุทธเจ้าบอกว่าสาริบุตรเนี่ยตีคําย่อให้พิสดานรู้ความหมายของเราไม่ใช่แต่เพียงชาตินี้นะในอดีตชาติเนี่ยท่านสาริบุตรก็เป็นผู้มีปัญญาแต่ชาตินี้ท่านได้เป็นอริยะเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยอันนี้ไม่ ไม่ใช่สิ่งจําเป็นแต่สมัยเป็นปุตุชนน่ะยังเป็นลือศรีสีพรายโยนะท่านสารีบุตรก็ยังตีความหมายของเราได้ชัดเจนในสมัยไหนพระพุทธเจ้าข้าพระองค์ก็ตรัสว่าสมัยหนึ่งเออพระเจ้าผล ม, มัททัตครองสมบัติกรุงพระราณสีสมัยนั้นมีพราหมณ์โปรหิตอยู่ในเมืองนั้นแล้วก็มีลูกพราหมณ์ได้ศึกษาวิชาความรู้แตกฉานจากนั้นออกไปบวช ออกไปบปรรพชาเป็นลือศีอยู่ในป่าถ้าไปเป็นฤือีอยู่ในป่าพวกฤือีทั้งหลายก็เข้าไปขอบวช ด, ด้วยพวกคนนั้นหลายเข้าไปขอบวช ด, ด้วยมีบริวารถึง 500, ห้าร้อยลือศีคนนั้นมีบริวารห้าร้อยจากนั้นขออยู่ในป่ารงพงภัยที่เป็นลูกศิษย์ผู้ใหญ่ก็เลยบอกอาจารย์ครับผมขอลาเข้าไปจำพรรษาในเมืองไปโปรดญาติอาจารย์กเออเอาไปได้ ก็เลยไปกับลูกศิษย์สองอยงค์อยู่กับอาจารย์เนี่ยององค์เนี่ยทีนี้กับต่อมาคงจะไปนานพอสมควรมั้งเพราะการเดินทางสมัยนั้นออกจากป่าก็ใช้เวลานานคงจะหลายเดือนก็จะไปถึงเมืองได้เน่นั้นก็คงจะอยู่จำพรรษาเป็นปีปีหลายปีทีนี้อาจารย์อยู่ในป่าเนี่ยที่เป็นลือสีนี่ที่เป็นคณาจารย์เนี่ยที่เป็นอาจารย์ใหญ่ท่านก็ป่วย ป่วท่านก็นเลยมรณาภาพก่อนที่จะมรณาภาพเนี่ยลูกศิษย์อยู่ในนั้นน่ยสองอยห้าสิบคนน่ยที่เป็นลูกศิษย์ผู้ใหญ่ก็เข้าถามมาอาจารย์อาจารย์มีคุณวิเศษมีคุณธรรมอะไรมีฌานอะไรที่อาจารย์ได้ปฏิบัติมาเนี่ยอาจารย์ได้คุณวิเศษอะไรอยู่ในอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่า เราไม่มีคุณวิเศษอะไรแม้แต่น้อยเดียวอยู่ในตัวของเราเราไม่มีคุณวิเศษอะไรในใจของเราแม้แต่น้อยเดียวพอพูดเท่านั้นอาจารย์ก็ตายเมรณะภาพหรือสีที่เป็นหัวหน้าพอตายเสร็จแล้วที่นี่ลูกน้องสองร้อยห้าสิบคนเนี่ยอาจารย์ของเราเนี่ยไม่มีคุณสมบัติอะไรถ้าจะว่าไปก็เหมือนกับหมาตายนั่นแหละไปเอาไปเผาทิ้งสัเอาไป เขาไ t ทิ้ง ม, มีมีคุณวิเศษอะไรแม้แต่น่อยเดียวเพราะเราถามได้เลยท่านก็ตอบว่าไม่มีอะไรแม้ตแมต่น่อยเดียวในใจของเราในตัวของเราแต่นั่นก็ไปเผาพอเผาเสร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พวกลูกศิษย์พวกลือศีที่อยู่ในเมืองเนี่ยคิดถึงอาจารย์ก็เลยเดินทางกลับเข้ามาหาเข้ามาหาก็ถามพวก ลูกศิษย์ที่อยู่ข้างในที่สองห้าสิคนเนี่ยอาจารย์ของเราเนี่ยก่อนที่มรณาภาพพวกท่านทั้งหลายได้ถามอะไรท่านบ้างถามสิงถามว่าไงถามว่าท่านอาจารย์มีคุณวิเศษอะไรในตัวของท่านอาจารย์ไหมที่ได้ปฏิบัติมาที่เป็นฤาษีชีพไพรมาถึงขนาดนี้ท่านอาจารย์มีคุณวิเศษอะไรที่จะแนะนําสั่งสอนลูกศิษย์เป็นครั้งสุดท้ายอาจารย์ก็บอกว่าไม่มีอะไร ไม่มีอะไรคุณวิเศษไม่มีอะไรแม้แต่หน่อยหนึ่งในใจของเรานจากนั้นท่านก็มรณาภาพทีนี้ลูกศิษย์ผู้ใหญ่นะั่นบอกว่าคําว่าไม่มีอะไรติดใจในหน่อยหนึ่งนะั้นมันเป็นฌานนะ เ, เป็นฌานสมาบัติอันหนึ่งนะพวกลูกน้อง ก, ก็แตกกันเป็นสองฝ่ายขึ้นมาทีนี้จะเป็นคุณสมบัติอะไรท่านอาจารย์บอกว่าไม่มีอะไรนะและพวกผมก็เผา เผาอาจารย์แบบธรรมดาแล้วไม่ได้เคารพสักการะบูชาอะไรเลยแหละ เ, เพราะว่าอาจารย์บอกว่าไม่มีอะไรก็เหมือนกับถอนไม้จนพื้นตายแล้วก็ไปเผาทิ้งเท่านั้นแหละปลุกสิทธิ์ผู้ใหญ่นี่ยเขไม่ใช่นะอาจารย์ต้องมีคุณวิเศษเอแต่พวกท่านหลางหลายตีความหมายไม่ออกเท่านั้นเองเกําลังถกเถียงกันใหญ่เหมือนนอาจารย์ที่ท่านตายแล้วขึ้นไปท่านไปอยู่อาพัชระพรมท่านอาพัชลาเหมือนกันอาพัชระพรม ท่านก็ลงมาเลยเพอเห็นลูกศิษย์แตกกันลงมากันนั่งอยู่บนอากาศเออเป็นแสงสว่างทั่วไปหมดเลยน เ, นเอเพราะพรมลงมาพรมก็บอกว่าเราไม่มีอะไรไม่มีคุณวิเศษอะไรในใจเพราะเราปล่อยวางทั้งหมดแล้วแม้แต่อารมณ์หน่อยหนึ่งหรือแม้แต่สิ่งอะไรหน่อยหนึ่งติดจิตติดใจของเราไม่มี เพราะนั้นเราจึงบอกว่าเราไม่มีอะไรในใจของเราเราปล่อยวางทิ้งทั้งหมดเอที่ว่าอาจินจันญาเยตนาชาคือไม่มีอารมณ์แม้แต่หน่อยหนึ่งที่เป็นมนทินอยู่ในใจของเราเพราะนั้นเราจึงว่าไม่มีอะไรเนี่ยจะนี่ก็พอพระผมบอกว่าพวกท่านทั้งหลายถึงพวกท่านทั้งหลายทั้งพันคนใช้ความคิดคิดอยู่ตั้งร้อยปีก็ไม่มีประโยชน์ สู้คนที่มีปัญญาคนเดียวมีปัญญารู้เรื่องที่คำพูดของเราคนนั้นหลักประเสริฐกว่าเสรุปแล้วก็คือพระพรมบอกว่าถึงจะอยู่กับคนโง่เป็นร้อยเป็นพันคนก็สู้คนคนเดียวที่เป็นผู้ฉเฉลียวฉลาดรู้เรื่องทุกอย่างไม่ได้เนี่แหละคือจากนั้นท่านก็เสด็จกลับไปพรมอีกอย่างเก่าเพราะท่านอยู่อภพัชรพรมนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านตรัสไปว่านี่แหละภาษาริบุตรในครั้งนั้น ได้มาเป็นลูกศิษย์ผู้ใหญ่ของฤาษีส่วนอภิชลพรมนะั่นคื อ, คอเราตถตาคตนี่แหละที่ได้สอนลูกศิษย์ลูกศิษย์กลุ่มหนึ่งเขาว่าอาจารย์ไม่มีอะไรแต่ว่าลูกศิษย์ผู้ใหญ่บ่ามีคำว่ามีคำนี้ก็คือท่านปล่อยวางทั้งหมดท่านไม่ยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางทางจิตใจของท่านเวลาท่านภาวนาท่านว่างากาหนดให้ว่างอาพอว่างเสร็จแล้วนี่ ท่านไม่มีอะไรที่จะยึดมั่นถือมั่นแล้วอยู่กับความว่างของท่านฮแต่ว่าความว่างของท่านคํานี้ก็มันยังมีกิเลสอยู่เอเหมือนกับเราเข้าไปในห้องไม่มีอะไรไม่มีเตาอีไม่มีโต๊ะไม่มีอะไรทั้งหมดห้องมันว่างเหมือนกันพอเดินเข้าไปในห้องโอ้ห้องนี้ทําไมว่างไม่มีอะไรเลยเดินรอบข้างไม่มีอะไรเลยว่างแต่ตัวเองลืมคิดว่าที่ห้องไม่ว่างเพราะตัวเองไปยืนอยู่กลางห้อง ถ้าตัวเองยือนอยู่กลางห้องห้องนั้นจะไม่ว่างแต่เมื่อใดตัวเองออกจากห้องเมื่อนั้นห้องนั้นจะว่างเต็มที่นี่แหละอันนี้คืออภัชรพรมเนี่ยท่านเข้าไปยือนอยู่กลางห้องแล้วท่านก็มองว่าโอ้ห้องนี่ว่างอแต่ท่านยังไม่รู้ว่าห้องนี้มันว่างเพราะตัวของท่านยังยือนอยู่กลางห้องแต่หลักของพระพุทธศาสนาเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ธรรมเนี่ยท่านจะบอกเลยบอกว่า ถ้าหาว่าตัวเรายังอยู่ในกลางห้องอยู่ห้องนั้นจะไม่ว่างพระพุทธเจ้าท่านตัดเอียงหลักธรรมของพระพุทธเจ้าปราณี่ดเข้าไปอีกจุดหนึ่งอีกขนาดวางกระทั่งใจว่างกระทั่งใจวางกระทั่งใจไม่ยึดมั่นถือมั่นกระทั่งใจจิตใจของท่านจึงได้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสเนีเพราะนั้นคําหมายหรือคําพูดของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ละคําเนี่ย เราอย่าไปตีออกนอกลู่นอกทางออให้เป็นผู้ตั้งใจเป็นผู้มุ่งมั่นให้เชื่อฟังทมคำสอนของครูบาอาจาร ย, ย์จะเกิดประโยชน์อย่างมากออถ้าเราตีผิดตีความหมายผิดแล้วน่นจะผิดไปนานเท่านานออนี่แหละวันนี้หลวงพ่อได้พูดเกี่ยวกับธรรมะภาคปฏิบัติหรือว่าลูกศิษย์กับอาจารย์ ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาที่ท่านหลวงรับดับขันไปแต่ละครั้งแต่ละองค์เหมือนกับต้นไม้ใหญ่หกล้มลงไปแต่ถึงยังไงก็ตามพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยแหะอย่าไปพึ่งครูบาอาจารย์จนเกินไปให้พึ่งตนเองเออให้พึ่งตนเองพระว่ายัางไงเมื่อเราได้ฟังธรรมคาสอนของครูบาอาจารย์แล้วก็นํามาประพฤติปฏิบัติมาปรับปรุงแก้ไขกายวาจาใจของเราแล้วจะเป็นสมบัติของเราเองแท้เลย ถ้าว่าเราไปพึ่งแต่ครูบาอาจารย์เราไม่ได้ทําตัวให้ดีเราไม่ได้เอาคุณงามความดีมาปรับปรุงแก้ไขกายว่าใจาใจของเร า, เามันก็เท่านั้นแหละพึ่งเป็นวันวันเดือนๆนปีปีไปพึ่งไม่ได้อย่างทองแท้แต่เราพึ่งตัวของเราเองอั ต, ตหิอั ต, ตโนโนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนโกหินาโถปรโรศิยานอกจากตนเองแล้วใครจะเป็นที่พึ่งเราได้ เราเท่านั้นเองเป็นที่พึ่งของเราอันนี้ก็คือสมัยเมื่อะระดับหนึ่งเราก็ถึงพึ่งพ่อพึ่งแม่ต่อมาก็พึ่งครูบาอาจารย์ต่อมาก็พึ่งผู้ที่พอที่จะช่วยเหลือเราได้แต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยเมื่อเราจะล้มจะตายจริงๆเราไม่ได้พึ่งใครมีแต่พึ่งคุณงามความดีของเราเท่านั้นแหละทีนี่เราได้สังสมคุณงามความดีอย่างไรเอาไว้ นะคุณงามความดีของเรานะั่นแหะจะมาเป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจของพวกเราเพราะฉนั้นให้สั่งสมคุณงามความดีอย่าตั้งอยู่ในความประมาทถ้าพวกเราไม่มีคุณงามความดีแล้วเราจะคิดพึ่งอะไรเนะีปัญหาที่พึ่งไม่ได้นะในจุดนั้นเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านจึงบอกว่าให้พึ่งตนเองนะอัตติอั ต, อตนโนนาโถโกหินาโถปรโรสียาตนแลเป็นที่พึ่งของตน คนอื่นใครเลยจะเป็นที่พึ่งเราได้ฮนอกจากเราตัวของเรามีที่พึ่งอยู่นะจุดหนึ่งนแต่ว่าชุดหนึ่งมันอาจจะพึ่งทางนอกแต่พอเอเข้าจริงๆจังๆแล้วมันพึ่งตนเองมันพึ่งบุญกุศลมันพึ่งคุณงามความดีมันพึ่งการประพฤติปฏิบัติในจิตในใจพึ่งความปล่อยวางของจิตใจของเรานี่ยพึ่งจุดนั้นนะเอาวันนี้เมื่อ ฉันจังหารทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คงจะมีการบวชนาคบวชลูกบวชหลานของโยมหัวหน้าแจ่มหัวหน้าแจมเคยรู้จักหลวงพ่อมาแต่สมัยท่านมาเป็นหัวหน้าการอยู่ที่อำเภอนามโสมหัวหน้าการปถมศึกษารู้จักกันมานมนานลูกชายของท่านก็บวชหลานของท่านจะมาบวชอีกวันนี้ก็ได้บวชพระนะเมื่อพระฉันอาหารทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว คงจะเริ่มพิธีพระอุปชาคงจะลงมาจากภูก้อนประมาณสัก9้าโมงกว่าเนี่ยแหละพวกเราก็คงจะทำคงจะใช้เวลาไม่นานดอกบวชประมาณสักชั่วโมงหนึ่งก็คงจะเสร็จแล้วอันรับผนะ่อในทนี้อนุมโมทนาให้พอ่อ